หัวข้อประเภทของความรู้เมื่อพูดถึงกระบวนการรับรู้แล้วก็ควรกล่าวถึงประเภทของความรู้ไว้ด้วยแม้ว่าจะต้องกล่าวถึงอย่างย่นย่อ ก, ก็ตามว่าตามแนวพุทธธรรมอาจแยกประเภทของความรู้ได้หลายนัยยะดังนี้จำแนกโดยสภาวะหรือโดยธรรมชาติของความรู้ วิธีจำแนกตามสภาวะอย่างง่ายๆก็คือจำแนกตามหลักขันห้5ความรู้เป็นนามธรรมจำพวกหนึ่งซึ่งกระจายอยู่ในนามขันคือขันที่เป็นนามธรรมหรือหมวดนามธรรมสามขันคือสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันความรู้ที่จำแนกตามสภาวะของขัน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 และคิดได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสัญญาแบ่งตามอารมณ์คือสิ่งที่หมายรู้หรือกำหนดจดหมายไว้มีหกชนิดคือรูปสัญญาสัญญาเกี่ยวกับรูปสัทธาสัญญาสัญญาเกี่ยวกับเสียงคันท่าสัญญาสัญญาเกี่ยวกับกลิ่นประสาทาสัญญา สัญญาเกี่ยวกับรถโพธภาษสัญญาสัญญาเกี่ยวกับสิ่งต้องการธรรมะสัญญาสัญญาเกี่ยวกับเรื่องในใจหรือสิ่งที่ใจรู้และนึกคิดว่าโดยสภาพรุงแต่งสัญญาอาจแบ่งคร่าวๆได้สองระดับคือระดับที่หนึ่ง สัญญาชั้นต้นได้แก่ความหมายรู้ลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่งนั้นๆโดยตรงเช่นหมายรู้ว่าสีเขียวขาวดำแดงแข็งอ่อนรสเปรี้ยวหวานรูปร่างกลมแบนยาวสั้นเป็นต้นรวมทั้งความหมายรู้เกี่ยวกับบัญญัติต่างๆว่าแมวว่าโต๊ะว่าเก้าอี้เป็นต้นเรียกว่าปัญจทวาริกาสัญญา แปลว่าสัญญาที่เป็นไปทางปัญจทวารคือความหมายรู้เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะสัญญาอื่นๆต่อจากนี้ไปเป็นสัญญาทางมนทวารทั้งหมดสัญญาระดับที่สองสัญญาซ้อนเสริม ได้แก่ความหมายรู้ไปตามความคิดปรุงแต่งหรือตามความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆเช่นหมายรู้ว่าสวยว่าน่าเกลียดน่าชังว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นตัวอย่างแสดงสัญญาที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเมื่อเขาดำรงอยู่ในสัญญาอย่างยอดคืออากินจัญญายตนะ เป็นสัญญาละเอียดประณีตสุดก็เกิดมีความคิดว่าเมื่อเราคิดจำงก็จะมีแต่เสียเราไม่คิดจำงจะดีกว่าหากว่าเราจะพึงคิดจำงคิดปรุงแต่งสัญญาเหล่านี้ก็คงจะดับไปเสียและสัญญาอื่นที่หยาบก็จะพึงเกิดขึ้นอยากเรนั้นเลยเราจะไม่จำหละจะไม่คิดปรุงแต่งละ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 ซึ่งเกิดจากการแต่งเสริมเติมต่อให้พิสดารของตันหามานะละทัทฐิเรียกอีกอย่างหนึ่งตามสำนวนอัธกถาบางแห่งว่ากิเลสสัญญาแปลว่าสัญญาที่เกิดจากกิเลสหรือสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสในวงเล็บสัญญาเจือกิเลสสัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแต่งให้ฟันเฟือ และห่างเหตเฉยชัยออกไปจากทางแห่งความรู้ไม่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดโลภะโทสะโมหะแทนที่จะช่วยให้เกิดความรู้กลับเป็นเครื่องปิดกั้นบิดเบือนความรู้ดังที่เคยอธิบายแล้วข้างตน้นยกตัวอย่างเช่นหมายรู้ลักษณะที่ตอนถือว่าหน้าชัง หมายรู้ลักษณะาอาการที่สนองความอยากได้อยากเอาหมายรู้ลักษณะาอาการที่ตนเป็นคนยิ่งใหญ่หมายรู้ลักษณะาอาการในผู้อื่นที่ตนถือว่าต่ำต้อยด้อยกว่าหมายรู้ภาวะที่ตนเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นต้น สัญญาซ้อนเสริมพวกที่สองได้แก่สัญญาที่เกิดจากความคิดดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาบ้างวิชาภาคกิจสัญญาคือสัญญาที่ช่วยให้เกิดวิชาบ้างหรือเรียกชื่ออื่นๆในธรรมนองนี้บ้างเป็นสัญญาที่ช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญาและความงอกงามแห่งกุศลธรรม เช่นหมายรู้ลักษณะาอาการที่ชวนให้เกิดความเป็นมิตรหมายรู้ลักษณะาอาการซึ่งแสดงภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงภาวะที่ไร้ตัวตนเป็นต้นพระอระหันตก็มีสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ปราศจากอาสวะคือสัญญาไร้กิเลส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 วิญญาณคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในหมวดวิญญาณขันได้แก่ความรู้ยืนโรงที่เป็นกิจกรรมประจำของจิตและซึ่งคอยรู้กิจกรรมอย่างอื่นทุกอย่างของจิตดังได้อธิบายแล้วในบทที่หนึ่งว่าด้วยขันหปัญญาเป็นความรู้หลักในหมวดสังขารขัน ความหมายของปัญญาได้แสดงไว้แล้วพอสมควรในบทที่หนึ่งซึ่งจะไม่กล่าวซ้ำในที่นี้ปัญญาแบ่งย่อยออกไปเป็นกี่อย่างผู้สนใจพึงดูได้ที่วิสุทธิมักเหตุที่ไม่นำมาแสดงในที่นี้เพราะยังไม่เห็นว่าจะช่วยเสริมความเข้าใจและอาจทำให้ฟั่นเฟือแต่จะยกมากล่าวหรืออธิบายต่อไปข้างหน้าเมื่อถึงโอกาสที่เห็นว่าช่วยเสริมเรื่อง และควรทราบในที่นั้นๆแต่นอกจากปัญญาที่เป็นความรู้หลักแล้วในหมวดสังขารขันยังมีข้อธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้อีกหลายอย่างซึ่งสัมพันธ์กับปัญญาในแง่ช่วยเกื้อหนุนบ้างเป็นขั้นตอนในระหว่างของการพัฒนาปัญญาบ้างเป็นคู่เทียบฝ่ายตรงข้ามที่แสดงความมีความขาดความลด ความเพิ่มของปัญญาบ้างกล่าวคือศรัท ธ, ธาทิฏฐิโมหะและปัญญาซึ่งเป็นเจตสิกอยู่ในหมวดสังขารศรัท ธ, ธาคือความเชื่อความทราบซึง้งไม่ใช่ความรู้แต่อาจเป็นทางเชื่อมต่อนำไปสู่ความรู้ได้เพราะศรัท ธ, ธา มีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้ของผู้อื่นฝากความไว้วางใจในปัญญาของผู้อื่นยอมพึ่งและอาศัยความรู้ของผู้อื่นหรือแหล่งแห่งความรู้นั้นเป็นเครื่องชี้นำแก่ตนถ้าผู้มีศรัทธารู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญาของตนเป็นทุนประกอบไปศรัทธานั้นก็สามารถนำไปสู่ความเจริญปัญญาและการรู้ความจริงได้ เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้อื่นนั้นหรือแหล่งความรู้นั้นมีความรู้แท้จริงและมีกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้รู้จักใช้ปัญญาแต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายคือไม่รู้จักคิดไม่ใช้ปัญญาของตนเลยและผู้อื่นหรือแหล่งแห่งความรู้นั้นไม่มีความรู้จริงทั้งไม่มีกัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้แนะหรือมีปาปะมิตร ผลอาจกลับตรงข้ามนำไปสู่ความหลงผิดห่างไกลจากความรู้ยิ่งขึ้นเรื่องศรัทธาจะกล่าวถึงเป็นพิเศษในบทที่17ว่าด้วยบุพภ า, ภาของการศึกษาทิฏฐิคือความเห็น ความเข้าใจตามแนวความคิดของตนคำนี้ไม่พึงปะปนกับคำว่าทิฏฐิที่หมายถึงความดื้อดึงในความเห็นตามที่ใช้ในภาษาไทยทิฏฐินี้รูปสันสกฤตเป็นทฤษฎีแต่ก็มีความหมายไม่ตรงกันนักกับคำว่าทฤษฎีที่ใช้ในภาษาไทยทิฏฐิ คือความเห็นความเข้าใจตามแนวความคิดของตนเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาปัญญาเพราะความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ปุถุชนที่ต่อจากขั้นขึ้นต่อผู้อื่นด้วยศรัทธาก้าวมาสู่การมีความคิดความเข้าใจหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลของตนเองประกอบพอจะนับได้ว่าเป็นความเข้าใจของตนเองก็คือทิฏฐิ บางครั้งที่ฐิ ก, ก็สัมพันธ์กับศรัทธาอย่างใกล้ชิดหรือถึงกับเป็นคนละแง่ของเรื่องเดียวกันกล่าวคือแง่ที่เป็นการมอบความไว้วางใจไว้ในความรู้ของผู้อื่นยอมไปตามปัญญาของเขาคือลั่นออกหรือพุ่งไปหาเป็นศรัทธาส่วนแง่ที่เป็นการรับเอาความรู้นั้น หรือสิ่งที่เขาบอกให้นั้นมายึดถือทำเป็นของตนคือรับมาถือหรือเอาเข้ามาเป็นทิฏฐิลักษณะ ส, สำคัญของทิฏฐิคือการยึดถือเป็นของตนไวยพบ์บางคำของทิฏฐิคืออภินิเวศปรามาตและอุปาทานซึ่งลึกลงไปย่อมมีตันหาเป็นปัจจัย ความรู้ที่เป็นทิฏฐินี้มีได้ตั้งแต่ขั้นไม่มีเหตุผลเลยจนถึงมีเหตุผลบ้างและมีเหตุผลมากเมื่อใดทิฏฐินั้นพัฒนาขึ้นไปจนเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือตรงตามสภาวะก็เรียกว่าเป็นสมาทิฏฐิและจัดเป็นปัญญา เมื่อปัญญานั้นเจริญขึ้นจนมองเห็นสภาวะนั้นด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องยึดถือความรู้นั้นเป็นของตนเพราะความจริงแท้ดำรงอยู่อย่างเป็นกลางกลางไม่ต้องมีที่อ้างที่ยันเป็นอันเลยพ้นขั้นของทิฏฐิไปเองแต่เพราะทิฏฐิพ่วงอยู่กับความยึดถือเป็นของตนทิฏฐิจึงมา ก, ก่อให้เกิดผลเสีย ถ้ายึดถือเนียวแน่นแม้จะเป็นทิฏฐิที่ใกล้เคียงความจริงอย่างมากแต่ก็กลายเป็นเรื่องปิดบังขวางกัน้นไม่ให้เข้าถึงความจริงนั้นโมหะคือความหลงความไม่รู้เป็นไวยพจน์ของคำว่าอาวิชชาหมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้ตรงตามสภาวะเป็นภาวะตรงข้ามกับปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่เรียกชื่อเฉพาะว่าวิชาพูดอย่างสามัญว่าโมหะหรอวิชาคือความไม่รู้นี้เป็นภาวะพื้นเดิมของคนซึ่งจะต้องกําจัดให้หมดไปด้วยวิชาคือความรู้หรือด้วยการฝึกอบรมเจริญปัญญา อย่างไรก็ตามแม้จะเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆมากมายและใช้ศิลปะวิทยาเหล่านั้นทํากิจประกอบการต่างๆได้มากมายแต่ถ้าไม่ช่วยให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่มองเห็นสังขารธรรมทั้งหลายหรือโลกและชีวิตตามสภาวะของมันแล้วศิลปะวิทยาเหล่านั้นก็เป็นเพียงสุดตะคือสิ่งที่สดับถ่ายทอดกันไปเท่านั้น ยังไม่เป็นปัญญาแท้จริงไม่สามารถกำจัดโมหะหรืออวิชชาได้และไม่อาจแก้ปัญหาพื้นฐานของชีวิตได้สำเร็จบางทีจะแก้แต่กลายเป็นก่อปัญหาขึ้นใหม่เหมือนคนต้องการแสงสว่างสแสวงหารวบรวมฟืนและเชื้อไฟชนิดต่างๆมามากมายถึงจะรวมมาได้เท่าใดและจะปฏิบัติอย่างไรต่อฟืนและเชื้อไฟเหล่านั้น จะตกแต่งประดับประดาประดิษฐ์ประดอยอย่างไรแต่ตราบใดที่ยังมิได้จุดไฟขึ้นก็ไม่อาจให้แสงสว่างเกิดขึ้นได้ปัญญาปัญญาที่เป็นตัวความรู้ในสังขารขันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นต้องฝึกปรือ ทำให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับปัญญาจึงมีหลายขั้นหลายระดับและมีชื่อเรียกต่างๆตามขั้นของความเจริญบ้างตามทางเกิดของปัญญานั้นบ้างตามลักษณะเฉพาะของปัญญาชนิดนั้นบ้างอันจะพึงศึกษาความหมายของแต่ละอย่างสืบต่อไปจะขอยกชื่อของปัญญามาให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นป ร, ริญญาญาณวิ ช, ชา ัญญาอภิน ญ, ญาพุทธิโพธิสัมโพธิเป็นตน้นสัญญาวิญญาณและปัญญาแตกต่างกันอย่างไรได้อธิบายแล้วในบทที่หนึ่งว่าด้วยขันห้าข้อที่ควรย้ำไว้ในที่นี้มีเพียงอย่างเดียวคือวิญญาณเป็นปริ ญ, ญายธรรม คือเป็นสิ่งที่เราควรกาหนดรู้หรือทำความรู้จักมันตามสภาวะของมันเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรต่อมันอีกเพราะถึงอย่างไรมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นสัญญาโดยทั่วไปเป็นปริญย ญ, ญาธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้หรือทำความรู้จักเท่านั้น แต่สัญญาเจือกิเลสหรือประปัญจัดสัญญาเป็นปหาตพธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรชะละหรือกำจัดให้สิ้นไปส่วนสัญญาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมกุศลธรรมเป็นพาเวตพธรรมคือสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดให้มีและให้เพิ่มพูนขึ้นจนใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ สัญญาที่เป็นพาเวตาพธรรมคือสิ่งที่ควรเจริญอาจเรียกชื่อว่าวิชาภาคิยสัญญาสัญญาที่ช่วยให้เกิดวิชาบางว่านิเพเทธพาคิยสัญญาสัญญาที่ช่วยให้ทำลายกิเลสและบางอย่างเรียกกุศลสัญญาบางแห่งเรียกอวิปปริตสัญญาสัญญาไม่วิปปริต ส่วนปัญญาเป็นภาเวตัพะธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรฝึกอบรมทำให้เกิดให้มีและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนทำลายโมหะหรืออวิชชาได้โดยสิ้นเชิง